มีเกิดจันขยินเท่านั้นที่มีปืนติดมืออยู่ในขณะนั้นพอจะยิงส่งเดชออกไปได้บ้างแล้วก็ดูเหมือนน้อยจะเอาปืนสั้นยิงออกไป 2-3 ส, สนัดขณะนั้นพวกเราทั้งหมดแตกกระจายกันออกไปหมดเพราะมันถลาเข้าใส่กลางวงเลยอาการของมันคล้ายๆจะคาบใครสักคนหนึ่งให้ได้ ก็บุญที่ต่างคนต่างหลบเอาตัวรอดกันหมดมันคงโดนไปบ้างเหมือนกันไม่งั้นคงไม่ป่ายหน้าหนีไปเล่นงานพวกคุณทางด้านโน้นถ้าเป็นเวลากลางวันพวกเราคงยิงล่วงลงมาแล้วนี่มันเป็นเวลากลางคืนถักความมืดทําให้มองเห็นไม่ถนัดไม่นําซ้ํามันยังไวเหลือเกินรัพินกัดดิ้นฝีปากแน่นเขาเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคมป์ได้ดีที่สุดเพราะผชญกับไอ้ข้างคาวปีศาจตัวนั้นมาด้วยตนเองเช่นกันการจู่โจมอย่างฉับพลันอย่างหนึ่งการเป็นสัตว์ ปีกปินไว้คล่องแคล่วในลักษณะค้างคาวอย่างหนึ่งและความมืดอันเป็น อ, อุปสรรคสำคัญของฝ่ายมนุษย์อีกอย่างหนึ่งทำให้ยากที่จะกำจัดมันลงได้ช่วงดีแท้ๆที่ฝ่ายเฝ้าแคมป์อยู่รวมกลุ่มกันหลายคนปืนหลายกระบอกช่วยการระดมซันโวใส่มันทำให้มันผลักออกจาก การราวีหาไม่เช่นนั้นก็ยังเดาไม่ถูกอยู่เหมือนกันว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับใครทำนองไหนอย่างน้อยที่สุดเท่าที่เขาเผชิญและรู้เห็นมากับตาแล้วเพียงแต่ปีของมันที่โฉบลงกระทบจังๆก็มีหวังคอหักทันทีแล้วขนาดความใหญ่โตของมันเพียงนั้นถ้ามันจะคาบใครติดปากเข้าสักคนก็ย่อมจะนำบินหายขึ้นไปเพื่อเป็นเหยื่อได้ทันที ไม่มีใครบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นนอกจากความแตกหนีอย่างล้มลุกคลุกคลานทุกคนรอดเพราะเพ่นเข้าหลบที่กำบังตามโขดหินและคนต้นไม้ใหญ่เท่านั้นไอ้ผีกองกอยมันทำท่าตื่นกลัวลุกลี้ลุกลนมีอาการเหมือนจะบอกอะไรกับผมแต่ผมก็เดาไม่ถูกพอมันแล่นหนีเข้าป่าหายไปเท่านั้นสั่งให้บุญคํากับสางปาลงจากต้นพริกก็พอได้ยินเสียงปืนทางนี้ลั่นไปหมด เขากล่าวขึ้นอย่างพยายามใช้ความใครค่ครกวนพินิษ์พิเคาะแล้วนี่ไอ้กองกอยหายไปไหนแล้วละ่ะดารินถามเปิดหายเข้าดงไปแล้วครับไม่ได้โผล่ออกมาให้เห็นอีกเลยมันจะต้องรู้ถึงการมาของข้างข่าวตัวนั้นและหวาดกลัวมากทีเดียวแล้วเขาก็มองไปยังผ่านพื้นเมืองที่ยืนหน้าซีดแวดล้องโวงอยู่ถามกาดว่าใครเป็นคนเห็นมันก่อนลองบอกให้ละเอียดสิ มันไปยังไงมายังไงพวกงันหน้าแหย่มองดูกันเองไปมาอย่างต่อไม่ถูกเช่ฐาก็เป็นผู้ตอบคําถามแทนมาว่ารู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดจะไหวตัวขึ้นพร้อมกันตามที่บอกนั่นแหละได้ยินเสียงปีกใหญ่กระพือเร็วพึ่อับอยู่ในอากาศทีแรกก็คล้ายจะวนเวียนอยู่บนยอดไม้สูงยังไม่ทันจะจับกันให้แน่ชัดว่ามันมาจากทางไหนก็รู้สึกว่ามันดังมาใกล้ๆลงมาอย่างรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็เห็นเงาดํามืดใหญ่โตโฉบตรงไปที่ซาก ข, ของตะขา หัวหน้าคณะบุ้ยปากไปทางซากตะขาบดงที่นอนกองอยู่ริมก้อนหินไม่ห่างออกไปเท่าไนะหร่นักน่าแปลกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าการโฉบ ค, ครั้งแรกของมันไม่ได้ตรงเข้าเล่นงานพวกเราแต่มุ่งตรงไปยังซากตะขาบนั่นพอเกิดศัดตรูออกไปเท่านั้นแหละมันถึงฉละพุ่งเข้าใส่พวกเราทั้งหมดเผ่นกันไปคนละทิศ ท, ทางชุลมุนไปหมดทีแรกก็มองกันไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไรนึกว่านกใหญ่แต่แล้วก็เห็นถนัดตอนมันฉวัดฉวียนไล่ เลียดไปตามพื้นดินมันไวกว่านกมากเพราะระบบการบินของมันเป็นระบบของขังขาวสามารถหลีกหลบขีดขดหินและพุ่งไม้กีดกั้นได้อย่างรวดเร็วอีกตอนที่มันโฉบอยู่บริเวณเขมนี่ไม่ผิดอะไรกับพายุใต้ฝุ่นพัดเข้ามาทีเดียวคำพูดของอดีตท่านทูตทหารบกสร้างแววสังหรณ์สกิดใจบางสิ่งบางอย่างให้กับจอมพานเขาจ้องนิ่งไปยังซาก ข, ของตะขาบโัวที่กัดชัยยันพึมพำออกมา ชฉบไปที่ซากตะขาบในครั้งแรกหมายถึงว่ามันต้องการจะเอาไปให้ได้อย่างนั้นหรือครับเชิดขาเองก็เริ่มเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาายๆเหมือนกันหันไปกล่าวขอความเห็นของน้องสาวมาเรียและพักพวกที่ร่วมเห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดก็ยืนยันมาเป็นเสียงเดียวใช่ใคล้ายๆมันต้องการจะเฉียวเอาซากตะขาบไปเท่านั้นแหละแต่ที่เปลี่ยนทิศมุ่งมาโจมตีพวกเราเพราะว่าถูกยิงนั่นเองอาจตกใจหรืออาจกดแค้นที่เราไปขวางทางมันเข้า มาเรียกับดารินย้ำในความเห็นทำไมคุณสงสัยหรือมีความคิดเห็นอะไรหรือหัวหน้าคณะหันมาซักเขาโดยเร็วอย่างจับรหัสความคิดของเขาได้ผ่านใหญ่ทําท่าคล้ายจะเ อ, อ่ยอะไรออกมาบางอย่างแต่แล้วก็เปลี่ยนความตั้งใจมองไปยังร่างของชายยันเปลี่ยนเป็นถามมาโดยเร็วว่าคุณชายยันเป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้รับผินสังเกตเห็นได้ว่าเชิฐาดารินและมาเรียต่างมีร่องรอยยินดีในสีหน้าเมื่อเขาเ อ, อ่ยถามถึงอาการ อดีตนายทหารตื่นใหญ่สงสัยจะมีความหวังขึ้นแล้วนะหัวหน้าคณะตอบหาเสียงเปลี่ยนไปด้วยความปิติน้อยพบว่าชีพจรเริ่มเต้นขึ้นแล้วจากการที่อยู่หายไปแต่มันอ่อนมากและยังไม่มีท่าทีว่าจะรู้สึก ก่อนอื่นเราจัดการกับเรื่องใหญ่เชนี้ก่อนดีกว่าครับเสียงไปตามมีตามเกิดถึงอย่างไรเขามันก็ไปในทางที่ดีแล้วเราน่าจะมีหวังผ่านใหญ่เก่าอย่างรีบร้อนแล้วก็สั่งให้คนของเขาที่มุงไลยล้อมอยู่เร่งดำเนินการทันทีโดยไม่รอช้าทั้งหมดพักเรื่องราวอื่นๆไว้ชั่วคราวก่อนพานกันตรงมายังร่างอันนอนิ่งของชา ย, ยันอีกครั้ง จันเอากระบอกไม้ไายที่ใช้บรรจุน้ํากระบอกหนึ่งมาแทนเป็นโครสใส่กระโดดเข้าไปตัดไม้เนื้อแข็งเล้าทําสาในขณะที่เกิดกับสั่งปลาก็ตรงไปแล่เนื้อส่วนหนึ่งของซากตะขาบออกมาลอกเปิดมันออกเอาเฉพาะเนื้อก้อนเท่ากับมือแล้วไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งพริกขี้หนูดงและเนื้อตะขาบก็ถูกตําโคลผสมกันแหลกละเอียดเป็นก้อนกินไอเต็มไปด้วยความร้อนแรงฉุนเฉียวจนแทบทําให้ผงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตำถึงกับน้ำตาไหลพรากด้วยความแสตตาต้องผัดเปลี่ยนกันตำสั่งตาในฐานะเจ้าต้นตำรับทั้งทางที่มันเองก็เพียงแต่ได้รับฟังมาจัด ก, การลงมือในขณะที่คนอื่นๆไลยล้อมดูเจ้าตองสู่สั่งให้พวกพานของรับินซึ่งทำหน้าที่ช่วยกันโขลกพริกกับเนื้อตะขาบควักจักคบขึ้นมาวางเป็นก้อนกองไว้บนใบไม้ และให้ตําชุดใหม่ต่อไปเป็นการสำรองขอทุงมือหนังจากดารินมาสวมเพื่อใช้หยิบตัวยานั้นเพราะไม่สามารถจะหยิบขึ้นมาได้ด้วยมือเปล่าอันเนื่องจากพิษสง่งอันเผ็ดร้อนราวกับน้ำกรดของมันแล้วบรรจงทำเป็นก้อนแบนๆขนาดฝ่ามือปักพ่อลงไปตรงบริเวณรอยเขี่ยวซึ่งปรากฏอยู่บนขาของคนเคราะล้ายจากนั้นทุกคนก็ได้แต่เฝ้าจับมองในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยใจิตใจอันเ ร, าร่าร้อน ก, นกังวลกวาย ถ้าชายยันฟื้นมาได้จริงก็จะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เสียงดาบินกระซิบกระซาบขึ้นแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเองฉันอยากจะเชื่อว่ามันมีเขาในทางที่ดีอย่างที่ผ่านใหญ่ว่ามาเรียพูดอย่างมั่นใจจ้องมองดูคนเจ็บไม่ตามไม่กระพริบ ทำไมไอ้ผีกองกอยจึงปรากฏตัวขึ้นช่วยดูดบาดแผลจากแผลของเขาจนเขามีชีพจรเต้นขึ้นได้อีกครั้งและทำไมมันถึงจึงนำพันใหญ่ไปเก็บพิกซึ่งกระตรงกับที่ส่างปาได้บอกไว้นี่ควรจะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าชั ย, ยันน่าจะรอดเชษฐามองไปทางจอมพานผู้นั่งอัดปุรีเงียบๆท่ามกลางวุมลายล้อมของคนเจบ ให้กองกอยมันนำคุณไปเก็บพริกที่ไหนต้นเก่าที่เราผ่านกันมาแล้วนั่นหรือไม่ใช่หรอกครับเป็นอีกต้นหนึง่งใจกลางดงแต่ไม่ห่างจากที่นี่เท่าไหรนะ่นักขาเดินไปกันประมาณ10นาทีเท่านั้นขากลับช้าหน่อยเพราะหมดแต่หลงกันอยู่มันผาหนีไปซะก่อนต้องคำทางกลับมาเองตอนที่ทางนี้เกิดเรื่องขึ้นยังได้ยินเสียงพูดกันเ อ, อะอะแว่แวถ้ากูเรียกคงจะได้ยินถึง คุณติดต่อรู้เรื่องกับมันได้ยังไงผมหมายถึงว่าคุณรู้จักอะไรว่ามันมีเจตนานําคุณไปที่ต้นพริกและให้คุณเก็บพลิกเหล่านั้นเพื่อมาพอกแผลชายันผมเดา เ, าเอาตามความหมายจากอาการของมันซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นมันนําทางไปที่ต้นพลิกแล้วชี้ขึ้นไปให้ดูประกอบกับที่ได้ยินมาจากสา่งปลามาก่อนแล้วว่าพลิกขี้หนูดงแก้พิษตะขาบได้เมื่อมาประกอบกับอาการของมันเช่นนั้นก็ไม่น่าจะแปลความหมายไปอย่างอื่นถ้าไม่ใช่เพราะสา่งปลาพูดไว้ก่อนผมคงไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันว่ามันนําไปที่ต้น พรินั้นทําไมรู้สึกผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าก่อนที่มันจะแสดงอาการตกอกตกใจแล้วแผ่นนี้หายไปรับผินจันซีษะไม่รู้สึกอะไรเลยครับอยู่ไม่อยู่กําลังเก็บพริกอยู่ดีๆมันก็ทําท่าทางตื่นกลัวลุกลี้ลุกลนเข้าเต้นหยอยๆส่งเสียจ้องอยู่ตรงหน้าคล้ายกับต้องการจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่ผมงงงานมันก็เปิดหนีไปอึดใจเดียวเท่านั้นก็ได้ยินเสียงปืนจากทางนี้ลั่นไปหมด ถ้างั้นต้องแปลว่ามันรู้ว่าภัยกำลังจะมาถึงพวกเราทั้งหมดรวมทั้งตัวมันเองด้วยซึ่งเจ้าสิ่งนั้นก็คือขัง้งเขาใหญ่ที่เรารเผชิญนั่นเองหัวหน้าคณะกล่าวช้าๆกัดดมฝีปากกระหมดคิ้วอย่างใช้ความคิดไม่รู้ความคิดของผมจะตรงกับของคุณหรือเปล่าในข้อไหนครับ การมาของข้างคาวประหลาดตัวนั้นมันมุ่งมาที่นี่ด้วยอาการที่เห็นชัดว่าต้องการจะโฉบเอาซากตะขาไปพอเราสกัดกั้นมันก็อารวาดราวีเราแต่พอเห็นว่าฝ่ายเราต่อต้านแข่งขันก็ผลักไปดักโจมตีพวกคุณสามคนที่กำลังหอบหอบพิกขี้หนูอันเป็นตัวยาเพื่อจะกลับมายังแคมป์ผมอยากจะเชื่อว่าอาดีตท่านธุดานบกกระดิกลิ้นออกมาเลยริมฝีปากจ้องพันใหญ่เขมง็งแผ่วเสียงลม มันน่าจะมีวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวกับการต้องการเอาพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นเหยื่อโดยตรงไม่งั้นมันไม่ควรจะจอดจบจงมาที่จ้าประค่าแต่ควรจะเฉียวพวกเราคนใดคนหนึ่งไปในทันทีที่มันโผล่มาครั้งแรกเลยพี่ใหญ่คิดยังไงหรือคะดาวินถามอย่างประหลาดใจไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ ถ้าสมมุติว่ายาขนาดนี้อันประกอบขึ้นด้วยพิกขี้หนูดงและเนื้อตะขาบสามารถช่วยชีวิตชัยยันได้จริงก็มีเหตุผลบางอย่างที่คุณจะเชื่อได้ว่าไอ้ข้างข่าวมหาการนั่นพยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการกู้ชีวิตชัยยันได้สำเร็จ เพื่ออะไรกันดารินกับมาเรียรืมตาโพล้องออกมาพร้อมกันเช็ดทาฝืนหัวเราะแหบต่ำนี่คือปริศนานี่คือสิ่งที่ทําให้เราปวดหัวงงงานและขนลุกเหมือนกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นแล้วนับตั้งแต่เราออกตามแง่ทรายมาเดี๋ยวนี้เราพอจะพิสูจน์กันได้แล้วว่าในดงอาถรรพ์แห่งนี้และโดยการติดตามแง่ทรายครั้งนี้ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นมิตรกับเรามันหวังที่จะทำลายล้างเรายกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือไอ้ผีกองกอยตัวนั้นตัวเดียวมันสอให้เห็นว่าต้องการช่วยเหลือเราต้องการให้เราติดตามแง่ายต่อไปอย่างมิดที่จะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกันไม่ใช่อย่างศัตรูซึ่งหมายจะทำลายเราและมันเองก็กลัวอำนาจตรงข้ามนั้นอยู่ด้วยเช่นกันทุกคนอึ้ง และพินพายวันยอมรับว่าสิ่งที่เช่ถาพูดเป็นสิ่งที่ตรงกับความคิดเห็นหรือลางสังหรณ์ของเขาแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวคําใดทั้งสิ้นถ้างั้นก็น่าเสียดายอย่างมากที่พวกเราไม่สามารถจะติดต่อเข้าใจภาษาของไอ้ผีกองกอยนั่นได้มันคงมีอะไรอยากจะบอกเรามากทีเดียวเท่าๆกับเราอยากจะติดต่อเพื่อให้เข้าใจความหมายกับมันอย่างน้อยที่สุดเราก็อยากรู้ว่าแง่ทายไปอยู่ที่ไหนและทําไมจึงตกอยู่ในอาการเช่นนั้นมาเรียว่า ถ้าเป็นเช่นที่พี่ใหญ่ว่านั้นน้อยก็คิดว่าผีกองกอยตัวนั้นจะต้องติดต่อพบปะเราอีกแน่ๆค่ะดารินยังพูดไม่ทันขาดคำก็ลืมตากว้างร้องออกมาเสียงแหลมคุณพระช่วยดูอะไรนั่นทุกคนหันขวับไปยังสิ่งที่หล่อนชี้อย่างตื่นเต้น ยาปิดแผลของสังปาอันประกอบขึ้นด้วยพริกขี้หนูดงและเนื้อตะขาบซึ่งพอกติดอยู่กับปากแผลของชัยยันในขณะนี้ความชุ่มชื้นเคลือบน้ําของมันอันตรทานหายไปแล้วเหลอไว้แต่กากอันแห้งกรอบราวกับอยาถูกย่างด้วยไฟระยะของปฏิกิริยาอันเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศา์เช่นนี้กินเวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่สังปลาพอกลงไปสีเขียวสดกลายมาเป็นสีดําสนิทราวกับฐานโอ้โหมันแห้งไปได้ยังไงนั่นเช็ดถาอุทานลั่นออกมา ห น, หน้าขึ้นมองผ่านใหญ่รละพินแววตาแจ่มใสขึ้นในทันทีเต็มไปด้วยความหวังอันแช่มชื่นยิ้มออกมาได้เห็นพ่อจะมีทางแล้วครับคุณชายยามันดูดพิษออกมาและความร้อนแรงของพิษเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวยาทำให้แห้งผากไปราวกับย่างไฟแล้วเขาก็หันไปทางสางปาบอกเร็วปือ้อแล้วสางตาเอาของเก่าออกพอกใหม่เข้าไปปู่ไม่ได้โกหกพ่อและพ่อก็ไม่ได้โกหกแกเสแล้วมันเป็นความจริง ระหว่างที่ตื่นเต้นยินดีปกกลุมไปทั่วทั้งคณะดาวรินรีบตรวจหัวใจและชีพจรของคนเจ็บอีกครั้งใบหน้ารอนแดงระเรื่อขณะเดียวกันส่างปาก็กระวีกระวาดเปลี่ยนยาพอกใหม่ ทุกคนสังเกตเห็นได้ถนัดว่าร่างอันเคยซีดเซียวของชา ย, ยันเริ่มปรากฏสีเลือดขึ้นบ้างแล้วราวกับปาฏิหาริย์การช่วยเหลือและการเฝ้าคอยดูผลในลำดับต่อไปเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความหวังแล้วดาวรินก็น้ำตาไหลอีกครั้งมันเป็นน้ำตาแห่งความปิติปลาปื้มผงกอดเพื่อนชายไว้แน่นร้องร่นออกมาสวรรค์ทรงโปรดเขามีลมหายใจขึ้นแล้วพี่ใหญ่เมชั ย, ยันรอดแน่ขอบคุณพานใหญ่สังปาทุกๆคนรวมทั้งเจ้ากองกอยนั่นด้วย เสียงของหล่อนรัวไม่เป็นภาษาหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วผูเข้าไปกอดแขนพี่ชายอย่างดีใจหลือที่จะกล่าวเช่ฐาเองก็ตะลึงไปอีกครั้งสีหน้าสดชื่นขึ้นพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะส่วนมาเรีย ก, ก้มลงเอาหูฟังแนบหัวใจของคนเจ็บยิ้มออกมาตาวาวใสจับไปยังรบพินฉันบอกใช่ไหมภายวันไม่ว่าจะมีความอาถรรร้ายกาจของป่าใดที่จองพานอย่างคุณจะแก้ไม่ตกเราชนะเหตุการณ์อันคับขันครั้งนี้แล้ว ผู้ที่ควรจะได้รับคำขอบใจที่สุดก็คือเจ้าผีกองกอยลองลงมาก็สั่งปาผมและคนอื่นๆเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นผ่านใหญ่ก่าอย่างสำรวมมรสุมหนักที่สุดของเขาผ่านไปแล้วมองจับไปที่ร่างของคนเจ็บตาเป็นประกายและยิ้มออกมาอย่างยินดีไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นดีใจกันให้มากไปก่อนเลยครับลอให้คุณชา ย, ยันฟื้นแน่ๆซะก่อนดีกว่า กล่าวพาังเขาก็หันมาเร่งสางตาให้ดำเนินการเปลี่ยนและพอกยาต่อไปอย่างระมัดระวังเร่งเร่งด่วน ประมาณอีกสีครั้งของการเปลี่ยนพอกตัวยาของสั่งตาและทุกครั้งมันถูกย่างให้แห้งผากไปด้วยพิษที่ดูดออกมาจากปาดแผลทุกคนก็เห็นชัยยันถอนหายใจเฮือกขึ้นโดยแรงแล้วเปลือกตาอันปิดสนิทของเขาก็เริ่มกระตุกสันพิวต่อมาอีกเกิดใจใหญ่มม่ตาคู่นั้นจึงค่อยๆขยายขึ้นชัยยันหลายเสียงอุทานเรียกนามของเขาออกไปพร้อมกันอย่างตาบปื้มปิติดีใจสุดขีด อดีตนายทหารปืนใหญ่สะดุง้งลืมตาโพงลักษณะเหมือนคนเพิ่งตื่นจากหลับด้วยอาการพูดพลาดตกใจพอขยับตัวระพินก็กดอกไว้นอนนิ่งๆก่อนครับคุณชัยยันอย่าเพิ่งลุกหรือเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิน้นชัยยันกระพริบตาทีๆจ้องไปยังทุกใบหน้าที่ก้มมองแวดล้อมอยู่เชิดท้าเขาพึมพำเรียกชื่อหัวหน้าคณะอันเป็นสหายขึ้นแหบๆหลังจากพยายามพงกหัวขึ้นสำรวจรอบตัวเอ๊ะนี่ฉันเป็นอะไรไปนี่ชัยยันแก่ล่อตายแล้วเชิดทาจับไหล่สหายรัก ขยับแรงๆกล่าวออกมาเสียงเครืออย่างสุดที่จะระ ง, งับความยินดีไว้ได้น้ําตาคลอชะตาแกยังไม่ถึงค่าถึงได้มีปฏิหารมาช่วยไว้แบบนี้จําได้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกชายยันซอยเปิดตายอยู่เช่นนั้นดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์แห่งชีวิตเพียงแต่อิดโรยเปี้ยไปบ้างเท่านั้นนิ่งงันไปครู่เหมือนจะทบทวนความทรงจําแล้วก็ร้องออกมาเบาๆว่าฉันถูกตะกรับกัดไม่ใช่หรือครั้งสุดท้ายที่จําได้มันร้อนบูกไปหมดทั้งตัวเหมือนถูกไฟลวก แล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกคุณอาจไม่เชื่อก็ได้ว่าคุณตายไปแล้วแล้วก็เกิดใหม่ด้วยแล้วชัยยันมาเรียพูดยิ้มยิ้มจับข้อมือของอดีตนายทหารปืนใหญ่บีบหนักหน่วงอีกมือหนึง่งเอื่อมมาลูบที่ใบหน้าของคนเจ็บหมายความว่ายังไง ชา ย, ยันคางขงมวดคิ้วอยากจะลุกขึ้นมาให้ได้ทั้งเชิฐานและพินช่วยกันกดไว้ให้นอนนิ่งอยู่กับที่อย่าสงสัยอะไรเลยเมพูดถูกแล้วนาลินกล่าวมาด้วยความตื้นตันใจเหลือที่จะกล่าวเธอตายไปแล้วจริงๆตายไปเป็นเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆไม่มีลมหายใจไม่มีแม้แต่ชีพรจรไม่มีความหวังอะไรเหลือไว้ให้แก่พวกเราอีกแต่แล้วเธอกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งมันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามขอให้เข้าใจเถิดว่ามันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ตลอดสากลละโลกที่พวกเราทุกคนภาวนาขอให้ช่วยเธอการรอดตายของเธอในครั้งนี้คือปาฏิหาร ชา ย, ยันมีสีหน้ามึนงงไปหมดบุคคลสุดท้ายที่สายตาของเขาผ่านมาศพก็คือผานใหญ่ระพินผู้กองคนเจ็บร้องทักแผวเบาพร้อมกับยิ้มให้ไปไงมายังไงกันนี่ผมไม่เข้าใจที่น้อยและเมย์พูดเลยอย่าเพิ่งสนใจอะไรก่อนเลยครับจอมผานพูดอ่อนโยนเอื้อมมือมาจับปลายขาของเขาบิดเบาๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอผมรู้สึกว่าผมไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่าเพียอ่อนแรงเล็กน้อยเท่านั้นรู้สึกที่แผลบ้างไหมครับชา ย, ยันพยักหน้ารู้สึก เป็นยังไงบ้างคล้ายๆใครเอาน้ําแข็งมาวางไว้ตรงรอยแผลถูกกัดของผมมันเย็นเฉียบทีเดียวเย็นจนบอกไม่ถูกคณะทุกคนมองสบตากันเองเชี่ยาก็ถามมาโดยเร็วเหมือนจะไม่แน่ใจในคําบอกของคนเจ็บเย็นเหรออืมเย็นมากตรงข้ามกับที่ถูกกัดครั้งแรกตอนนั้นมันร้อนเหมือนถูกเหล็กแดงเผาจี้รายงานความรู้สึกของคนเจ็บทําให้ทั้งคณะมีอาการประหลาดใจ ค, คล้่งคลานแสตากันไปมาอยู่เช่นนั้น ปวดหรือเจ็บบริเวณที่ไหนบ้างไหมดารินสรบถามมาโดยเร็วชา ย, ยันสายหน้าไม่เลยสบายดีมากคล้ายๆไม่ได้เป็นอะไรสักนิดเดียวเพียงแต่เย็นและชาตุบๆที่ตรงบริเวณแผลเท่านั้นเพลี้หนูดงผสมกับเนื้อตะขาบมันเป็นของแก้พิษตะขาบอย่างถูกต้องและตรงที่สุดแล้วครับนายถึงได้รู้สึกเย็นสบายแล้วอย่างนี้หายเป็นปิดทิ้งเลย ปุ่นคำกระซิบข้างหูของพานใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดของชายันอืมถ้างั้นก็วิเศษมากแปลว่าเราแก้พิษมันได้ตกแล้วเช้ถาพื้นพามด้วยความปราโมดตบไหลเพื่อนเบ า, เบา แกคงไม่รู้หรอกว่าเราเอาอะไรพ่อบาดแผลที่ถูกกัดของแกไว้และเจ้าสิ่งนี้เองที่ช่วยชีวิตแกถ้าเปรียบพิษตะขาบเป็นเหมือนน้ำกรดเจ้าสิ่งที่พ่อแผลแกไว้ขนัดนี้ก็คือด่างนั่นเองมันแก้กันได้อย่างศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์เหลือเกินให้ฉันลุกขึ้นนั่งหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งเลยแกยังไม่ปกติเรียบร้อยดีนะันอนพักอยู่อย่างนี้อีกสักครู่เถอะ หัวหน้าคณะห้ามแล้วหันไปกระซิบกระซาบปรึกษากับจอม่านรับผินก็ซุบซิบหารือต่อไปอยังสั่งปาซึ่งขณะนี้อยู่ในฐานะหมอถ้านายปืนโตรู้สึกร้อนที่แผลเมื่อไหร่ก็แปลว่ายาดูดพิษออกหมดแล้วอย่าเพิ่งให้ลุกนายสั่งปาจะพอกดูดต่อไปพอกจนกว่านายปืนโตจะร้อนตรงแผล ชา ย, ยันนอนลืมตาโพงในระหว่างที่กันเยียวยาดำเนินต่อไปอย่างขมักขะเม่นยาที่ใช้พอกเริ่มจะแห้งช้าลงไม่รวดเร็วเหมือนกับครั้งแรกๆสั่งปาคอยถามผ่านรับพินถึงความรู้สึกตรงบาดแผลอยู่ตลอดเวลาชา ย, ยันบอกให้ทราบว่าเขาเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นเป็นลำดับผิดไปจากความเย็นในตอนแรกและในที่สุดก็แยกเขี้ยวออกมา โอ้ยมันร้อนจี๋เลยล่ะคราวนี้ยังกับฐานได้การนายพิษมันออกหมดแล้วสั่งตาร้อนลั่นออกมาอย่างดีใจเอายาพ่อออกจาก บ, บาดแผลของเขาโดยเร็วดารินเอาแอลกอฮอล์ชุบสำลีเช็ดบริเวณปากแผลแล้วรีดเลือดออกปรากฏว่าเลือดที่ไหลออกมาซึ่งเป็นทางรอยเคี้ยวนั้นมีสีแดงสดเป็นปกติท่ามกลางการมุมล้อมของทุกคนคราวนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างชา ย, ยันหลายเสียงถามอย่างกระตือรือร้อนมาพร้อมกัน แทนคําตอบอดีนตนายทหารปืนใหญ่ค่อยๆพงกตัวขึ้นทนั่งเอื้อมมือลูบคําตรงบริเวณบาดแผลมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่แล้วกระโดดลุกขึ้นยืนโดยเร็วสบัสดขาออกไปโดยแรงกิริยาของเขาเต็มไปด้วยความแข็งแรงว่องไวดุดเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยท่ามกลางการจ้องตะลึงยินดีแทบกระโดดของพักพวกทุกคนจะให้เดินต่อเดียวนี้ก็ยังไหวคนเจ็บรองออกมาตัวเองมีสีหน้าพิศวงไม่ผิดไปจากคนอื่น กระพินภัยวันสุดลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วหลับตาลงเอื้อมมือไปบิดต้นคอสางตาแน่นภาพอันยังคงตื้นตาลใจให้แก่เขาแสดงถึงความรักใคร่ระหว่างเพื่อนก็ปรากฏขึ้นเชษฐาดาริมตรงเข้าไปเกาะชัยันไว้แน่นต่างพูดอะไรกันฟังไม่ได้สับนอกจากหางเสียงที่สั่นเกลือไปด้วยความประปื้มปิติมารีฮอฟมันเดินตรงเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพลานนำทางต่อสู่ของหล่อน ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาฉันเพิ่งเห็นแกเป็นคนที่มีค่าที่สุดในวันนี้เองหล่อนพูดเป็นภาษาพมา่าด้วยเสียงอันแช่มช้าแต่หนักแม่นมั่นคงทุกคนมีค่าเมจองพานตอบเปาเรียบแทนให้กับเจ้าตองสูผู้หญิงฟันเฉยเว้นแต่คุณค่านั้นจะแสดงออกเมื่อไหร่และอย่างไรเท่านั้นหล่อนจบตาเขานิ่งแล้วผ่าไปทุกคนต้อนรับชัยยันด้วยบรรยากาศของการตายแล้วเกิดใหม่แล้วอดีตนายทหารหนุ่มนักปชะภายชาวกรุงผู้เลือด คนก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขณะที่เขาสลบไม่ได้สติชา ย, ยันมีทั้งความงงงานตื่นเต้นตกใจและเต็มไปด้วยปัญหาเขาแทบจะไม่ยอมเชื่อแล้วเจ้าผีกองกอยเพืช่วยชีวิตของฉันหายไปไหนซะแล้วเขาถามขึ้นแล้วผี บ, บอกว่ามันผลักหนีไปตอนที่ข้างคาวใหญ่บินมาเล่นงานพวกเราและก็ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะโผล่ออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เชิดถาเป็นคนตอบชา ย, ยันจ้องไปยังซากของตะขาบแล้วเดินเข้าไปพิจารณาดูโดยใกล้แยกเขี้ยว ออกมาฉันจําได้แล้วฉันกําลังค้นหาร่องรอยของแงาทรายอยู่ในบริเวณนี้ได้ยินเสียงดังสากหลับจากด้านหลังของก้อนหินใหญ่พอหันกลับมาก็เห็นมันเลื้อยออกมาจากใต้ซอกพุ่งเข้าใส่ขณะนั้นห่างเพียงแค่2วาเท่านั้นเร็วราวกับสายฟ้าแลบตอนนั้นรู้สึกว่าน้อยกับเมยจะอยู่บนทางด่านไม่ห่างออกไปนะักเหตุการณ์มันจับสนไปหมด จำได้ว่ายิงออกไปนัดหนึ่งแล้วก็ถอยหนีต่อจากนั้นก็รู้สึกเหมือนถูกไฟลวกแล้วหมดความรู้สึกไปในทันที ใช่สิไม่ทันสั่งเสียด้วยซ้ำฉันกับเมเห็นภาพเธอตอนนั้นถนัดตาที่สุดแทบช็อกดวงเธอแข็งเหลือเกินนะที่มีปาฏิหาริมากู้ชีวิตได้ในครั้งนี้ดารินพูดอย่างอ่อนเปลียยกมือทั้งสองขึ้นรูปหน้าแล้วถอนใจยาวชั ย, ยันแง่หน้าหัวเราะออกมาอย่างไม่ยั้นต่อเหตุการณ์เขาจับมือสางตาขอบใจแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องนะักแต่ก็สามารถอ่านแววตากันได้เข้าใจดีแล้วเดินเข้ามาเกาะผานใหญ่กล่าวสั้นๆขอบใจมากเพื่อนยาก ก็เห็นเพียงแต่ว่าสีหน้าอันก้านเกีมของบลุดผู้นั้นปากกดรอยยิ้มมันมีความหมายอันมากมายเกินกว่าจะพูดเช่นไรออกไปทั้งสิ้น ทั้งหมดเพื่อจะได้กินอาหารเย็นมื้อนั้นซึ่งเป็นอาหารกระป๋องที่เตรียมไว้ยามฉุกเฉินขาดแคลนแล้วก็นั่งรวมกลุ่มกันชนิดที่ไม่ยอมให้ปืนห่างจากตัวสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นและสารพัดเหตุการณ์ที่แวดล้อมทําให้ต้องการคําปรึกษาหารือระหว่างกันและกันช ย, ยันมีอาการเป็นปกติดีที่สุดแล้วด้วยตัวยาขนาดวิเศษที่แก้กันได้อย่างฉงัดเขาให้คํายืนการรับรองว่าสามารถที่จะเดินทางและผจญประจัญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมโดยไม่มีความรู้สึกของคน ที่ฟื้นเจ็บเลยไม่มีใครทํานายได้ถูกว่าก่อนที่จะวันจะขึ้นอันเหลือเวลายอยู่อีกหลายชั่วโมงนั้นจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นอีกไอ้ครังข่าวผีตัวนั้นเชษถาว่ามันเคยมาโจมตีเราได้มันก็อาจจะหวนกลับมาได้อีกตราบใดที่เรายังเอามันไม่อยู่ ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นในใหญ่มันมาอีกเมื่อไหร่ก็ฟาดกับมันเมื่อ น, นั้นเสียดายที่มันมาเวลากลางคืนถ้าเป็นเวลากลางวันเห็นจะป่านี้ล่วงไปแล้วบุญคําบอกพร้อมกับสะบดสบานอย่างเดือดแค้นมันใหญ่มากนักหรือชัยยันถามทุกคนเสียดายที่คุณสลบไปไม่ได้เห็นร่วมเผชิญกับเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยมาเรียบอกออกมาด้วยอาการพั่นพึง ก็ไม่ใหญ่อะไรนักหรอกลำตัวแค่แม่วัวเท่านั้นโชคดีที่พวกเราไม่มีใครได้รับอันตรายเลยชา ย, ยันหัวเราะอีกตามเคยเขารู้ตัวว่าควรจะตายไปแล้วแต่เมื่อกลับฟื้นมาได้อีกครั้งในลักษณะที่ตนเองก็แทบไม่อยากเชื่อเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเหลือความพันพึงของเขาอีกต่อไป ให้มันใหญ่เท่าไอ้แหวงให้มันพ่นไฟออกมาจากปากได้เหมือนมังกรในนิยายภาพขอให้มันหวนมาอีกสักครั้งเถอะฟาดกับมันให้รู้เรื่องไปในคืนนี้แหละหรือยังไงผู้กองก็มีหวังอยู่เหมือนกันครับอีกนานกว่าจะสว่างแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะักขณะนี้มันอาจวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราเตรียมที่จะหัวนกลับเข้าเล่นงานอยู่ก็ได้หรือยังไงจะต้องระวังกันให้มาก ดาวรินเงยหน้าขึ้นไปมองออกไปยังความมืดมิดอันน่าสยองกลัวของโดงที่แวดล้อมอยู่แล้วเลิกแขนเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นดูนาฬิกาขณะนั้นมันเป็นเวลาสีทุ่มเสร็จเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามขวัญและกำลังใจของคณะทั้งหมดกลับคืนมาแล้วโดยการฟื้นคืนชีวิตของชา ย, ยันสิ่งที่ทุกคนคุ้นคิดกันอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเฉพาะหน้า ในอันดับต่อไปั้างขาวผีตัวนั้นมันจะวกกลับมาก่อกวนสร้างเหตุร้ายอีกหรือหรือไม่ภายในราตรีอันยาวนี้เจ้าผีกองกอยที่มีอาการแสดงออกในด้านมิตรนั้นเล่ามันหายไปไหนซิแล้วจะมาส่งข่าวหรือใบรหัสใ ด, ดๆอีกหรือไม่และสุดท้ายงาซายซึ่งบัดนี้ยังมืดมนเต็มไปด้วยเงาของปิิศนา สมมติว่าเหตุการณ์คืนนี้สามารถจะผ่านพ้นไปได้อย่างราบคาบปกติก็พรุ่งนี้อีกทั้งวันเต็มเต็มเล่าจะสแสวงหาแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดังบงชีพได้ที่ไหนหรือไม่ท่ามกลางดงมรืตยูแม้แต่พานใหญ่ระพินเองก็ไม่เคยล่วงรู้ตื้นลึกหนาบางของมันมาก่อนอนาคตเบื้องหน้ามันมืดมิดเหลือเกินไม่สามารถกาหนดหรือคาดคะเนสิ่งใดได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่ตะ ว, วันตกดินมาแล้วไม่ได้ยินวิแววหรือส้ำเสียงของจัตุรบทชนิดใดทั้งสิ้นเลยนอกจากพวกมแมลงและสัตว์เลื้อคานบางจำพวกที่กระทำเสียงประหลาดประลาดไม่เคยได้ยินคุ้นหูกันมาก่อนต่างอาศัยไออุ่นจากกองไฟและบาลานดีเป็นเครื่องช่วยนั่งนอนรายร้อมกันเป็นวงกลมปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปอย่างเงียบขรึมผิดไปกว่าทุกครั้ง พวกผ่านพื้นเมืองงีบเอาแรงกันไปแล้วแต่กลุ่มของบุคคลชั้นหัวหน้ายัางลืมตาโพงแต่เสียงพูดจาเริ่มเว้นห่างออกไปแล้วในลักษณะที่ไม่มีใครเจตนาจะนอนกันเลยนอกจากนานๆจะพูดกันสักครั้งนั้นหลังก็พลอยหลับด้วยความอ่อนเพลียในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงกองสัมภาระ ดาวรินกับมาเรียศีสะพิงชนกันอยู่ภายในบริเวณที่ปูพื้นด้วยผ้าพลาสติกโดยมีชายยันนอนขวางไปตามส่วนกว้างซึ่งเป็นท่าเดิมกับที่เขาล้มตัวลงในครั้งแรกโดยตั้งใจเพียงแค่เอนหลังใช้ฐานั่งยันกับหีบกระสุนปืนคอยหลุดลงกับอกโดยที่มือยังขี้บุรีติดไฟค้างอยู่ส่วนรพินเอนพิงร่างอันนอนตะแคงของบุญคามือทั้งสองประสานกอดปกหลับนก เวลามันผ่านไปเท่าๆกับที่บุหรีซึ่งถูกคีบคั้นอยู่ในมือของราชสกุลหัวหน้าคณะกินลามเข้ามาจนกระทั่งถึงความร้อนถึงนิ้วอดีท่านทูตทหารบกสะดุ้งลืมตาขึ้นดีดบุหรีจากมือทิ้งกว่าตาไปรอบๆก็เห็นทุกคนหลับกันไปหมดในท่าทางต่างๆโดยไม่เป็นระเบียบดูแล้วก็รู้สึกสมเพศ ดูเหมือนมันจะเป็นครั้งแรกที่คนเหล่านั้นต่างคนต่างหลับกันไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยแม้กระทั่งพานใหญ่เองมันเกิดขึ้นจากความเหน็ดเหนื่อยระหยโห่วยรุแรงจนสุดที่จะควบคุมตนเองไว้ได้เขาขยับตัวตั้งใจจะปลุกพักพวกให้ลุกขึ้นจัดที่สมัยเพื่อให้สะดวกสบายกว่าเดิมทันใดนั้นเองสายตาก็แลผ่านกองไฟออกไปเบื้องหน้าอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ต้องเบิกตากว้างจ้องตะลึงไปชั่วขณะจิต ในระหว่างกลุ่มโขดหินและพุ่มไม้ห่างออกไปเพียงไม่เกิน29จากรัศมีวอแวบมของเปลวไฟในกองที่สาดรางรงเข้าไปถึงเงาตะคุ่มอะไรชิ้นนึงสงบนิ่งอยู่ที่นั่นมองผัดผ่าดราวกับก้อนหินแต่เมื่อพยายามเพ่งสายตาพินิจจากสุดทรงสันฐานให้ความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์แต่แสงจากกองไฟน้อยเหลือเกินทำให้ภาพนั้นคลุมเครือ เขาขยับตัวโดวยไม่ยอมละสายตาแล้วก็รู้สึกขนลุกสู้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นว่าเงานั้นเคลื่อนบูมหายเข้าไปในหมู่ไม้อย่างเงียบกริบเปลี่ยบปราศจากเสียงใช้ถามมิ้มริมฝีปากแน่นชำรงดูไฟฉายกับไรเฟิลที่วางอยู่ใกล้ๆมือแล้วสงบจิตวางเฉยไม่แสดงอะไรผิดปกติหรือกระตุกตกระตาขึ้นทั้งสิ้นคอยเฝ้าจับมองด้วยดวงตาที่รีเหมือนจะหลับต่อ เวลาผ่านไปอีกคู่ใหญ่เงานั้นก็ค่อยๆปรากฏขึ้นกับคองจักสุอีกในระหว่างโขดหินและหมู่ไม้ที่เดิมแต่พอไหวตัวมันก็วูบหายไปอย่างลึกลับอีกครั้งคราวมีเชิดถากระโดดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วส่องไฟฉายจ้าออกไปพร้อมกับไรเฟริลที่ประทับอยู่บนไหลไม่ปรากฏร่องรอยอะไรทั้งสิ้นหินทุกก้อนคงรูปเดิมเดิของมันพุ่มไม้ทุกพุ่มสงบนิ่งแม้แต่ใบก็ไม่กระดิก หัวหน้าคณะขมวดคิ้วอย่างครางแคลงค่อยๆก้าวออกจากที่อย่างระมัดระวังใบหน้าจะตรงเข้าไปแต่แล้วทันทีนั้นเองเขาก็ต้องชะงักเพราะรู้สึกว่าขากรรไกงจะถูกดึงไว้จากเบื้องหลังและพินพัยวันนั่นเองเหนี่ยวขากรรไกงเขาไว้แล้วสปริงตัวขึ้นอยู่ในเสี้ยววินาทีต่อมาตาอันคมวาวพุ่งฝ่าความมืดสลัวออกไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นเป้าหมายของเชื้ท่า อดีต ท, ท่านทูตทหารบกจ้องหน้าเขากระซิบคุณเห็นอะไรเหมือนอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าคุณชายเห็นอะไรอีกฝ่ายย้อนถามมาเสียงเดียวกันตา ย, ยังคงจับจ้องไปอย่างราวป่ามืดมิดเช่นนั้นลักษณะเป็นคนโผล่ออกมายืนอยู่ในระหว่างก้อนหินสองลูกนั่นพอไหวตัวมันก็หลบผูบหายไปเหมือนว่าจะตาฝาดมันก็เห็นขึ้นถึงสองครั้งคุณละ่ะเห็นด้วยหรือเปล่าจอมพานสันศีษะผมหลับครับ ตกใจตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงลุกขึ้นของคุณชายโดยฉุดไว้ก่อนไม่เหมาะที่คุณชายจะออกไปจากแคมป์ตามลำพังถ้างั้นเราไปด้วยกันรพินยังยืนนิ่งมองดูหัวหน้าคณะอยู่เช่นนั้นอ่านใจพรานใหญ่ไม่ถูกกระซิบต่อมา ผมเห็นจริงๆไอ้กองกอยตัวนั้นกำลังเช่ฐาสั่นหน้าไม่ใช่หรอกกองกอยสูงอย่างมากก็เพียงหลาเดียวแต่นี่มันสูงใหญ่อาจขนาดเท่าผมทีเดียวเป็นไปได้ไหมรัฐพินสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คือแงาสายรัฐพินสบตาเขาอีกเพียงแวบหนึ่งก็ไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นคว้าปืนกับไฟฉายย่องกลิบออกไปโดยมีเชิาสาวเท้ามายักกระชันชิด ทั้งสองก้าวพ้นแนวกองไฟออกไปสู่ชายป่ารอบนอกด้านที่เชิฐาชี้บอกช่วยกันกาดไฟฉายค้นหาไปรอบๆ อ, อย่างระมัดระวังพร้อมทั้งเงี่ยวหูคอยจับเสียงทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่พบเห็นวีวแววหรือร่องรอยอะไรทั้งสิน้นสีหน้าของเชิฐาเต็มไปด้วยความช ง, งนฉงายคลางแคลง